ส, สัมผัสสยองเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์คนหัวลุกที่ผมเจอกับตัวเองและขอบอกเลยว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแต่อย่างใดผมตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งอยู่บริเวณพุทธมณฑลสาย5ซึ่งตอนนั้นเหลือเพียงแค่สองหลังเท่านั้น หลังที่ผมซื้อนี้ตั้งอยู่ตรงถนนเส้นหลักของโครงการใกล้กับป้อมลอปภก่อนที่จะทําการเข้าอยู่ผมได้ให้ญาติผู้ใหญ่ที่นับถือขอเรียกว่าป๋าซึ่งเป็นคนที่มีสัมผัสฝึกวิปัสสนากรรมฐานมานั่งสมาธิภายในบ้านหลังที่ผมซื้อนี้ซึ่งเมื่อป๋านั่งสมาธิแล้วก็บอกว่าอยู่ได้สบายไม่มีปัญหาอะไรจากนั้นก็หาเลิกเข้าอยู่วันแรก ว่ากวนจะเป็นวันไหนซึ่งป๋าได้บอกว่าจะดูให้แล้วจะบอกอีกทีเมื่อป๋าดูเลิกเข้าอยู่บ้านใหม่ให้เรียบร้อยแล้วมันเป็นวันที่ตรงกับช่วงที่ผมไม่สะดวกพอดีผมเลยบอกป๋าว่าขอเป็นวันที่23ตุลาจะได้ไหมซึ่งตรงกับวันปีหย่ามหาราชพอดีป๋าก็บอกว่าได้เป็นวันดีอยู่แล้ววันเข้าอยู่บ้านวันแรก ผมก็ทำตามขั้นตอนที่ปาบอกทุกอย่างนำพระพุทธรูปเข้าสุขเข้าศาลแก้วแหวนเงินทองดอกไม้และสิ่งของต่างๆจุดธูปเทียนไหว้พระจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางและนอนหลับพักผ่อนแล้วผมก็ออกจากบ้านกลับไปยังคอนโดเพื่อที่จะเก็บของเตรียมย้ายเข้ามาบ้านใหม่เมื่อย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่หลังนี้ผ่านไปสองปี ชีวิตก็ปกติดีมีความสุขไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่ผมยังไม่ได้ทําบุญขึ้นบ้านใหม่เลยเพราะยังไม่พร้อมในหลายๆเรื่องในช่วงสองปีนั้นผมก็มีการจุดธูป บ, บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางอยู่ตลอดว่าเรื่องทําบุญขึ้นบ้านใหม่ไม่ได้ลืมนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมในหลายๆเรื่องและหากพร้อมแล้วจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่แน่นอนแล้วเหตุการณ์ที่ผม ยังจำติดตาอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงก่อนจะถึงวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่20พฤษภาคมในปีนั้นคืนวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม45นาทีผมคุยกับแฟนว่าเราตั้งใจจะไปทำบุญกันในวันวิสาขาบูชาหลังจะคุยเสร็จก็ปิดบ้านล็อกประตูชั้นล่างปิดไฟแล้วขึ้นชั้นสอง เมื่ออาบน้ำเสร็จก็เปิดประตูออกจากห้องน้ำแฟนผมกำลังเดินออกจากห้องนอนเพื่อที่จะลงไปชั้นล่างผมก็ได้ยินเสียงผู้ชายตะโกนเสียงดังมากเหมือนดังอยู่ในบ้านแต่ฟังไม่ออกว่าพูดอะไรผมไม่ทักทำนิ่งแล้วเช็ดผมที่ยังไม่แห้งต่อแฟนผมก็ถามผมว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมใช่เพื่อนที่บอกว่าจะมาหาหรือเปล่า แต่ผมก็บอกว่าไม่ใช่มันฟังดูไม่คุ้นเลยบอกไปว่าน่าจะเป็นเสียงคนบ้านอื่นตะโกนคุยกันแต่แฟนก็อยากให้ผมลงไปดูหน่อยผมก็เลยต้องลงไปตามที่คุณนายสั่งผมตัดสินใจเดินลงบันไดไปแบบไม่ได้คิดอะไรพอไปถึงที่ชานพักบันไดเท่านั้นแหละขนผมกระลุกตั้งแต่ปลายเท้ายันหัวยืนนิ่งอึงและรู้สึกว่าขาแข็งไปหมด จนก้าวขาไม่ออกเมื่อผมมองลงไปที่บันไดชั้นล่างผมก็เห็นเงาสีดำซึ่งมีลักษณะผอมสูงประมาณสองเมตรได้กำลังยืนหันข้างให้ผมอยู่ตรงบันไดขั้นสุดท้ายแม้มันจะมืดแต่ผมก็บอกได้เลยว่ามันไม่ใช่คนผมพยายามรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะก้าวเท้าลงบันไดแล้วเงานั้นก็หันหน้ามาจ้องหน้าผมทันที มันจ้องอยู่ประมาณสองวินาทีแล้วก็วิ่งไปทางหลังบ้านซึ่งเป็นห้องน้ำและห้องครัวโมแฟนผมเดินลงมาก็เห็นผมยืนนิ่งอยู่แล้วถามผมว่าเป็นอะไรแต่ผมไม่ตอบผมนิ่งไปสักพักหนึ่งจึงบอกถึอว่าอยู่นี่นะห้ามลงมาผมจะต้องรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นเป็นผีหรือคนแต่ในใจจริงๆก็รู้แล้วว่าคืออะไร ผมก้าวลงบันไดไปทั้งๆที่ขนลุกอยู่อย่างนั้นพอถึงชั้นล่างก็รีบเปิดไฟแล้วรีบเดินกลับไปหลังบ้านผมกลั้นใจเปิดประตูห้องน้ำและห้องครัวแต่ก็ไม่เจออะไรเมื่อมั่นใจแล้วว่ามันไม่อยู่แล้วผมจึงกลับขึ้นไปที่ชั้นสองเล่าทุกอย่างให้แฟนผมฟังนางถึงกับหน้าซีดแล้วอึ้งไปพักใหญ่ หลังจากวันนั้นผ่านไปสองวันในวันที่17พฤษภาคมช่วงเช้าระว่งผมขับรถไปทำงานก็สังเกตเห็นพระกกำลังออกบินทบาทเลยจอดข้างทางแต่ไม่ได้เตรียมของใส่บาทมาจึงถวายปัดใจแทนเมื่อหลวงพี่ให้พรจบผมก็สาธุขณะที่กำลังลุกขึ้นหลวงพี่ยังยืนหลับตาแล้วสวดอะไรต่อแต่ด้วยความที่ผมรีบก็เลยลุกขึ้นแล้วเดินกลับ ก่อนจะถึงรถผมหันไปมองหลวงพี่หลวงพี่ก็หันหน้ามามองผมพอดีแล้วหันกลับก้มหน้าหลับตาแล้วสวดต่อจนผมขึ้นรถกําลังจะขับออกไปก็หันไปมองหลวงพี่อีกครั้งหลวงพี่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมหลับตาก้มหน้าสวดต่อผมคิดในใจว่าหลวงพี่เป็นอะไรแต่ผมรีบเลยออกรถไปก่อน จนมาถึงวันที่19พฤษภาคมเป็นคืนก่อนถึงวันวิสาขบูชาผมกับแฟนก็คุยกันว่าพรุ่งนี้เราไปทำบุญให้เขาหน่อยซึ่งเขาในที่นี้ก็หมายถึงเงาดำๆที่ผมเจอในคืนนั้นแล้วเวลาประมาณสองทุ่มกว่าผมก็ล็อกประตูชั้นล่างแฟนผมขึ้นชั้นสองไปแล้วและเปิดไฟตรงบันไดทิ้งไว้ให้ผมเดินไปปิดไฟชั้นล่าง แล้วหยิบกุญแจบ้านติดตัวขึ้นชั้นสองจงหวัดที่กำลังจะก้าวเท้าขึ้นบันไดไปนั้นก็มีนิ้วมือมาสกิดที่ต้นคอผมเบาๆหนึ่งครั้งทางด้านซ้ายซึ่งเป็นจุดเดียวกันกันกบที่เงาดำนั้นยืนมองหน้าผมอยู่เมื่อวันก่อนผมคนลุกไปทั้งตัวแล้วก็วิ่งแจ้นขึ้นชั้นสองไปเลยเมื่อแฟนผมเห็นก็บ่นว่าจะวิ่งขึ้นบันไดมาทาไมมันเสียงดังนะ ผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้แฟนฟังแฟนจึงคิดว่าเขาน่าจะมาเตือนว่าพรุ่งนี้อย่าลืมทำบุญให้เขาด้วยนะเมื่อถึงวันวิสาขาบูชาผมกับแฟนก็ไปทำบุญถวายสังฆทานกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเงาดำที่ผมเจอและบอกกล่าวในใจว่าถ้าได้รับบุญแล้วไม่ต้องมาขอบคุณผมกับแฟนนะผมกลัวแล้วผมกับแฟน ก็เดินทางกลับบ้านเมื่อถึงบ้านก็เจอพี่สาวข้างบ้านเราทักทายคุยกันตามปกติแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังพี่สาวข้างบ้านถึงกับยิ้มไม่ออกแล้วแกก็บอกผมกับแฟนว่าเขารู้แต่ไม่กล้าบอกเพราะเมื่อสักประมาณสัปดาห์หนึ่งเห็นจะได้หลานชายพี่เขากลับมาจากทางานขณะจอดรถจะเข้าบ้านตอนนั้น เป็นเวลาประมาณสามทุ่มเขาบอกว่าเขาเห็นเงาดำๆเดินเข้าบ้านของพวกน้องไปซึ่งหลานชายก็ยืนยันว่าไม่ได้ตาฝาดเห็นจริงๆหลังจากนั้นผมก็กลับบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วไปพบปา๋าที่มาช่วยดูบ้านให้ผมในตอนแรกผมเล่าเรื่องทุกอย่างให้ป๋าฟังแล้วถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรปาก็บอกว่าไม่มีอะไร แล้วนั่งอมยิม้มจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเงาดำๆดนั้นมาจากไหนเป็นเจ้าที่เจ้าทางบันพบุรุษของผมหรืออะไรกันแน่ สมภัสยอง